รัฐธรรมนเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10กรกฎาคม2560นมีชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นดีเริ่มจากตัวเราก่อนอ้าวลูกหลานอยู่ในความสงบผู้ที่จัดอาหาร ก็อย่าให้มีเสียงดังจัดก็ได้แต่อย่าให้มีเสียงดังอย่าให้รบ ก, กวนวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิกรกฎาคมพุทธศักราช2560แต่วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเมื่อวานเป็นวันเข้าพรรษาแต่วันก่อนเป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่แปดวันอาสาหะบูชาวันที่เก้าเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยอีกวันหนึ่งวันนั้นวันนี้จึงเห็นพี่น้องประชาชนจัดทายาตโโยมล้นหลามไปตําทําบุญวัดต่างๆคงจะมาหลายวันตเวงไปเรื่อยๆวันนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ได้มาที่วัดของหลวงพ่อรู้สึกว่าหลวงพ่อก็ถาม ในขณะที่ใส่บาทก็รู้สึกว่ามาจากทุกแห่งผลของประเทศไทยทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งกลางตะวันออกทั้งอีสาน ร, รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนตะเวนทำบุญก ล, บกลับครูบาอาจารย์วัดต่างๆวันในปีนี้รู้สึกว่ามากที่หลวงพ่อเห็นในวัดของหลวงพ่อนะแต่ถึงยังไง ก็พึ่งอธิษฐานพรรษาเมื่อวานนี้พระในวัดของเราทั้งหมด48รูปนะพระปด48สมณะเนนหนึ่งยังมีนาคอีกสองนะที่ในวัดของเราแต่วันนี้พระท่านรายงานบอกว่าพระงดฉัน8องวงวันนี้ไม่มาฉัน บางทีศรัทธา ญ, ญาติโยมพอบอกว่า48่เอ๊ะทำไมพระจึงขาดเนี่ยพราะท่านงดท่านไม่ฉันอาหารก็มีท่านเล่งภาวนาของท่านหรือว่าทำกิจตุละของท่านท่านก็งดไปบ้างนะแต่เมื่อวานก็มีมูลนิธิทำดีคุณดนายจันเจ้าชายพาคณะมา ร้อยก่คนเหมือนกันนะตอนใช้สายมาทิวัดกองหลวงพ่อตะเวนไปทําบุญตามวัดต่างๆเหมือนกันมูลนิธินะเนี่ยนะก็พวกศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมมาวันนี้ก็คงจะลักษณะอย่างนั้นนะคงตะเวนกราบครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆสุบแล้วก็คือพวกเรามีแต่อยู่ในบ้านไม่ถึง ทำมาค้าขายหาเงินหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวนะไม่น่าจะพอนะควรจะแ ส, สวงหาคุณงามความดีน่าจะหามุญกุศลอย่างพวกเราแสวงหาเนี่ยแหละแสวงบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอาหารกายอาหารใจหลวงพ่อเคยพูดให้กับพวกเรามีมากต่อมากใน MP3 สนะ เพราะอาหารกายก็คืออาหารให้รูปประธรรมคือร่างกายอาหารให้ใจก็คืออาหารให้หาอาหารให้นามธรรมคืออาหารทางด้านจิตใจอาหารกายกับอาหารใจมันเกี่ยวเนื่องกันแต่ว่าถ้าเราไม่ให้อาหารใจใจของเราก็เหี่ยวแห้งอับเฉาไปเหมือนกันนะเพราะนั้นควรจะหาอาหารเข้าสู่จิตใจด้วย ไม่ใช่ว่าเลี้ยงแต่ร่างกายถึงเลี้ยงแต่แตร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนดีขนาดไหนกเ็เถอะเลี้ยงร่างกายอีกสักวันหนึ่งก็แก่เท่าชะลาผลที่สุดก็ถึงจุดจบของร่างกายแต่จิตใจนั่นนะตัวนามธรรมาน่ะไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดไปติปฏิสนธิที่อื่นอีกเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ให้พวกเราศึกษานะ ให้ศึกษาเพราะวิชาในโลกนี้มีมากวิชาพุทธศาสนาก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะที่พวกเราจะต้องใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้นะไม่ใช่ว่าเราจะรู้รู้วิชาหนึ่งแล้วจะรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะวิชาพุทธศาสนาไม่ใช่วิชาที่จี่จะเรียนรู้ได้ไง่ายๆเพราะเป็นวิชาที่หรือพบหรือชาติ ยัไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารคือวิชาพุทธศาสนาพูดอย่างนั้นได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราวิชาในโลกหนะึ่งเป็นวิชาที่บกปนเวียนหมุนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนะี่ยคือวิชาทางโลกถึงจะเรียนอย่างไงก่อนหมุนวงเวียนอยู่ในกรงล้อ ก, กรำเครียนนะเหมือนกับเราเดินอยู่ในขอบกละมังอย่างนั้นนะ วนไปวนมาวนมาวนไปหาที่ออกที่หยุดไม่ได้ก็คิดว่าเป็นที่ใหม่อยู่เรื่อยเกิดมาพบในชาตินี้ก็คิดว่าใหม่แต่ที่แท้ก็เป็นอันเก่าเกิดมาอีกเดินไปอีกแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยเดินออกจากขอบกระมังฮะเดินแหวกออกไปเลยตัดกขงล้อ ก, กำกเกวียนออกจากกรมังไปสู่มรรคสู่ผลนิพพาน อันนี้คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นพวกเราที่จะหาอาหารเข้าสู่จิตใจนั้นทำอย่างไรหลวงพ่อก็ได้แนะนําสั่งสอ น, อนแนวแนวทำ ค, า, คาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนหาแนวทาง อ, อันดับแรกคือเราตั้งต้นตั้งลาใหม่ เราควรจะตั้งต้นใหม่เอาเถอะชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้อายุเท่าไรพวกเราก็รู้แก่ใจเราก็นับอยู่ทุกวีทุกวันว่าอายุของเราเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยอายุหลวงพ่อก็เจบาปีหนะุงพ่อก็รู้ว่าหลวงพ่อเจบสปีและจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่หลวงพ่อไม่รู้นะไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะถึงจุดจบเมื่อไรแต่เดี๋ยวนี้มั่นใจผ่านพานะเจปี พวกเราท่านทั้งหลายคงจะรู้เหมือนกับหลกพ่อเหมือนกันชีวิตของตนเองแต่ให้นึกทบทวนรู้ว่าที่ผ่านานมานั้นเราได้ทำคุณงามความดีอะไรบ้างเดบินที่ที่เป็นเครื่องอุ่นใจให้อาหารอาหารให้กายละไม่ว่ากันเรามีเงินอยู่ในธนาคารเท่าไหร่มีทรัพย์สินสมบัติเท่าไหร่เราก็รู้ว่าเรามีเท่าไหร่แต่อาหารทางด้านจิตใจอาหารเข้าสู่นามธรรมนั้น เ, เรา เพียงพอหรื อ, อยังได้มากน้อยแค่ไหนเราคิดไว้ไหมเราได้คิดหรื อ, อยังในเมื่อเราล้มหายตายจากในปัจจุบันเราจะไปที่ไหนเราได้คิดไว้หรือเปล่าบุญกุศลที่เราได้เตรียมไว้ไหนเพียงพอหรื อ, อยังเราได้คิดวางแผนไว้ไหมในจุดนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะักหนาศรัทธา ญ, ญาติโยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เ, เหมือนกับเราพูดหลวงพ่อพูดเมือ่อเอาความตายมาคู่กันไม่ใช่ คล้ายๆว่าจริงไหมพ อ, พอพูดจบลงไปแล้วพอพูดจบแล้วหลวงพ่อก็จะถามย้อนถามทั้งหลวงพ่อด้วยทั้งพวกเราท่านทั้งหลายด้วยจริงไหมหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ต้องยอมรับบอกจริงที่หลวงพ่อพูดออกไปเอาความจริงมาพูดพวกเราท่านทั้งหลายถ้ายังไม่ยอมรับก็กลับไปถึงบ้านถึงเรือนไปทีน้าสถานที่ใดก็ตามนึกทบทวนเลยจริงไหมให้ถามตัวเองดูนะ หลวงพ่อเอาความจริงมาพูดไม่ใช่เอาความจริงมาพูดมาขู่กันฮะไม่ใช่ให้พวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้สังสมบุญกุศลไว้เนาลูกหลานคณะสัตยายาดโยมหนาะชีวิตของเรามีจุดจบแต่ถึงจุดจบของร่างกายแต่จิตใจตัวนามธรรมานะั้นไม่จบนะจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดในภพภูมิต่างถ้าว่าผู้ใดได้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใจเป็นคุศ ใจมีบุญใจมีกุศลก็เหมือนกับใจมีเงิน เ, เมื่อใจมีเงินแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเมื่อเราไปต่างไป ต, งต่างประเทศต่างแดนก็ตามเรามีเงิน เ, เงินเราก็จับจับ่าย ใ, ใช้สอยได้แต่ถ้าเรามีบุญก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเได้แยก ย, ย้ายจากร่างกายนี้ไปในพภพภูมิต่างๆใจดวงนั้นก็เป็นผู้มีใจมีบุญนะ ไปเกิดในะสถานที่ใดก็เหมือนกับคนมีเงินร่มเย็นเป็นสุขไปหมดนะแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้สแสวงหาคุณงามความดีไม่ได้สแสวงหาอาหารเข้าสู่จิตใจอพอลมหายตายจากร่างกายแตกแต่ว่าจิตใจนั้นออกจากร่างไปแล้วใจดวงนั้นไม่มีบุญไม่มีบุญไม่มีกุศลใจดวงนั้นก็ไม่รู้จะไปทางไหนเท่านี้ ไม่หาไม่หาที่เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจไม่มีปุ่นเม่รู้จะไปที่ไหนเหมือนกับคนไม่มีเงินพอออกจากบ้านแล้วคนไม่มีเงินเป็นยังไงพวกเราคิดดูซิในเมื่อคนมีเงินในกระเป๋าบัตร ATM ก็มีเงินเพชรนินจินดาเต็มกระเป๋าของเราแต่ปะโลกภายภาคนามแย่งกันแย่งกันไม่ได้นะไม่มีโจรผู้ร้อีกต่างหากทั้งจะมีมากขนาดไหนเราก็ เป็นสมบัติของเราเพียวๆคนอื่นแย่งกินไม่ได้เพราะประโลมกแล้วมันมันเป็นของใครของเราบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราอย่าไปคิดว่าเขาจะแย่งชิงเอาของเราบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเราไปในสถานที่ใดเราอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าเราบำเพ็ญจนพ้นทุกตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจได้ พวกเราก็เข้าสู่นิพพาน เ, าเหมือนพระพุทธเจ้าพระทหารตสาวกาถ้าว่าเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทวด า, ามีหลายระดับชั้นจนถึงภูมิมะรุกขเทวดาจนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ในแนวหน้ามนุษย์อยู่แนวหน้าคืออะไรพวกเราก็เห็นนะมนุษย์แนวหลังคืออะไรพวกเราก็เห็นนะแนวหน้าแนวหลังคืออะไร มนุษย์แนวหลังก็คือเนี่ยนะเกิดมาแล้วเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบเออเป็นเกิดมาในคนสถานที่ทุกจนอีกต่างหากต่างว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงจะพิพิกงพิการแต่เกิดอยู่ในตระกูลที่มีเงินครับสมทรัพย์ ส, สมบัติแต่ถึงจะขนาดนั้นก็จะมีความสุขไม่เดือดร้อนทางการเป็นอยู่แต่ว่าตัวเองพิคงพิการนะ แปลว่าชาตินั้นแปบลบว่าเกิดมาแล้วเสียชาติที่ได้เกิดมาไม่สมบูรณ์นี่แหละแปลว่าบาปพามาเกิดนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะถึงจะมาเกิดในที่ร่ํารวยชายอเ น, นสงส์สินอเ น, นสงส์ทานเรามีแต่ว่าอเ น, นสงส์ที่เบียดเบียนทุกข์ค่าจัดตั ด, ตดชีวิตนั้นมีเราเกิดมาแล้วก็เกิดมาในที่รวยแต่ว่าบาปกรรมจุดหนึ่งมันให้ผลมันให้ผลต่างกันนะ อมันให้ผลต่างกันเพราะนั้นเหมือนเราเหมือนพวกเราเนี่ยนะถึงจะมั่งมีมเงินครับทรัพย์สมบัติมากนะมีเงินมากแต่ไปฆ่าคนนะเมื่อฆ่าคนเสร็จแล้วนะ่ะอตัวที่ไปฆ่าคนนะั้นน่ะตัวนั้นแหะบาปกรรมตัวนั้นแหละเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางนะอไปขังคุกทั้งที่เงินก็มีสมบัติก็มีอนะแต่เมื่อออกจากผลโทษออกมาแล้วก็อหมดกรรมแล้วก็ามาก็ได้อันให้สงทาน คนก็มาสวยความสุขในทรัพย์สมบัติของตนเองเนี่แหละกรรมการกระทําตัวนี้น่ะมันให้ผลต่างกันนะะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานกรรมชั่วอย่าทําเสลยดีกว่าสรุปลงแล้วเพราะเมื่อทํากรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองจะเดือดร้อนหลวงพ่อยกไปที่ไหนว่ากรรมดีกรรมชั่วหลวงพ่อจะยกถึงพระโมกขาลา พระโมคพระโลาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ชัดเจนนะเพราะว่าท่านบําเพ็ญมาจนได้เป็นอัครสาวกเป็นสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเบื้องขวาก็ ค, คือพระสารีบุตรแต่ทําไมพระโมกขาลาเหาะเหินเดินฟ้าได้ดําดินบินบนได้เป็นที่ยอมรับของคนทุกหัวและแหงในยุคสมัยนั้นแต่ผลในสุดถูกฆ่าตายฮะ พูกถูกโจรฆ่าเในการพระโมคคัลาก็าได้มรณภาพเพราะถูกโจรฆ่านี่นั่นคนทั้งหลายยุคนั้นสมัยนั้นก็ฮือหากันโอ้พระโมคคลาเป็นคนดีแต่ทําไมถึงถูกโจรฆ่าเนี่ยทำไมจึงทําอย่างนี้เป็นทําไมแต่คนเขาเห็นในผลในปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ แต่พระพุทธเจ้าท่านว่าโมกคลาสมตุสมควรตายเพราะกรรมเทวตัวเองได้กระทำไว้ในอดีตแต่ชาติบาปกรรมที่ในอดีตแต่ชาติมาให้ผลนี่แหละหลวงพ่อจินร็ว่ากรรมชั่วจะทำเสืเล้ละเสเลยดีกว่าเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนี่แหละ อันนี้เมื่อพระโมกคลาเมื่อท่านทำกรรมในอดีตคือท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านนะสมัยนะั้นท่านเกิดเป็นลูกชายคนเดียวนะ่ะทำไมคณะชาตาญาติโยมทั้งหลายก็คงอยากจะรู้ว่าท่านทํากรรมอันไหนหนอโมกท่านโมกคลานะคือพระโมกคลาเนะี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่แต่พอต่อมาพ่อแม่ตาบอดนะพอตาบอดแล้วก็ทัดแต่งงานให้ลูกชาย ในตระกูลพอเขาถึงจะตาบอดก็เป็นคนมีฐานะกนะ็มีพี่น้องวงศานายาติเขาก็าหาพันยาให้ลูกชายให้เพื่อมันดูแลพ่อแม่แต่ลูกสนะพ้ยเนี่ยเป็นคนไม่ดีทีนี้ก็เลยยุโยงให้สามีตัวเองฆ่าพ่อแม่สามีแลวกว่าใจเบาอีกเชื่อเมียอีกต่างหากก็เลย วางแผนฆ่าพ่อกับแม่ตาบอดนั่นแหละประโมคขลาในชาตินั้นนเป็นว่าชาติที่บาปกรรมหนักที่สุดของท่านนะเอท่านก็เกิดมาแล้วก็ถูกถูกฆ่าถูกเกิดมาแล้วก็ถูกฆ่าเพราะบาปกรรมที่ตัวเองได้ทําฆ่าพ่อฆ่าแม่ถึงมาในชาตินี้ก็เถอิะท่านที่จะเหาะเหินเดินฟ้าได้ท่านมองดูกรรมของท่านแล้วหนีไม่พนน้นหนีกรรมหนีไม่พ้นเออ หนีอย่างอื่นพอหนีช้างหนีเสือหนีอะไรกนพอหนีได้แต่หนีกรรมที่ตนเองได้กระทาไว้เนี่ยหนีไม่พ้นท่านจึงยอมรับกรรมโดยดุษณีให้เขายอมรับกรรมโดยดีพอเราได้ทํากรรมไว้แล้วหนีไม่พ้นเพราะนั้นถึงท่านจึงได้ถูกโจรฆ่าะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้อดีตอนาคตเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านกรรมชั่ว คิดชั่วทำชั่วอย่าทำเฉยดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลไม่มีใครจะเดือดร้อนหรอกมีเรานั่นแหละผู้กระทำนั่นแหละจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราได้พบได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราแยกแยะให้ออกอาหารกายอย่ที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นคือเราสสแสวงหาเงินเพื่อใช้จ่าย ในปัจจัยสี่มีอาหารการบริโภคผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้แปลว่าอาหารของร่างกายใครขาดไม่ได้จุดนี้เราต้องสวัแสวงหาทรัพย์แตอ่อาหารทางด้านจิตใจนั่นแหะเราควรจะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนาให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอันนี้คืออาหารของอาหารใจเป็นจุดหลัก แต่กีดคิดว่าจะทำดีนั่นคืออะไรเนี่ยหลวงพ่อก็ได้บอกแนะนำบอกกล่าวว่าเนี่ยอย่างเทศการเข้าพรรษาอย่างนี้แหละเออพวกเราควรจะ เ, เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะไหว้พระทุกวันกลาวไหว้ทำตอนเย็นอย่างอย่างไม่สายเกินไปนะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเราตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าเพาเจ้าจะทำวัดไหวพระทุกวันม่ให้ขาดก่อนนอนตอนหัวคำ่ำแล้วก็กราบที่หมอนของเรานั่นแหะไม่ต้องกราบห้องผ้ากราบที่หัวนอนที่หมอนของเราอะระหังสวาคาโตสุปฏิปัโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็นอนหรือก็นั่ง มากกว่านั้นท่าจะนั่งภาวนาท่านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้เอ่อแต่พอนั่งเสร็จแล้วก็นั่งกําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโดพดพดพดสักสิบนาที20นาที30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งได้ไหมย24ชั่วโมงเนะ่ยเราหาอาหารเข้าสู่จิตใจเพียง10นาทีได้ไหมไอ้เรื่อนี้เป็นตน้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง หาอาหารเข้าสู่จิตใจเนี่ยแหะคือประกอบคุณงามความดีจากนั้นเราก็เออเอา้าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะงดเราเราจะข้าพเจ้าจะงดการพนันข้าพเจ้าจะมีศีลห้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันพระหรือตลอดไตรมาสสามเดือนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีเอาทะมากกว่านั้น ข้าพเจ้าเป็นคนขี้โกรธนะโกรธให้ใครง่ายๆแต่ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทดลองดูงสิจะไม่โกรธให้คนจะไม่โกรธให้ลูกให้หลานอืแต่เราจะใช้อาการโกรธแต่ก่อนที่เราจะใช้อาการโกรธเราจะคิดะก่อนเออทําให้โกรธไม่บกไม่ไว่าให้แข็งแข็งให้แรงแรงนะลูกหลานเขาอาจจะหลงลืมตัวได้ง่ายเอาเถอะข้าพเจ้าจะโกรธให้เสียงแข็งแต่ในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ ให้มันออกเ อ, อไม่ให้มันออกล้ำหน้าไปพอพวกคิดได้อย่างนั้นเราก็พูดเฮ้ยอย่าทํานะอย่างนั้นมันไม่ถูกนะทําอย่างนั้นได้ยังไงแต่ใจของเราไม่โกรธนะ เ, เพราะว่าเราคิดไว้ในใจแล้ว่ข้าพเจ้าจะไม่โกรธนะนี่แหละอันนี้ท่านเราใช้อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์นะทําวัดใจดีจนกจนไปเออละเฮยใครว่าอยังไงก็ช่ยเหมือนกับคนสติลอยสติเ อ, อเป็นบ้าเป็นบออย่างกั้นก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ แต่ว่าเราต้องคิดซะก่อนว่าเราจะต้องใช้อาการของความโกรธแต่เราจะไม่โกรธในพรรษานี้อไม่ใช่ว่าเราจะพูดให้ใครโกรธซะก่อนจนปากบิดปากเบี้ยวซะก่อนยังค่อยไปว่าให้เขาอันนั้นมันมันออกมาจากจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดนเป็นการระ ง, งับความโกรธหรือว่าเป็นการระ ง, งับหยับยั้ง ยับยั้งมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนี่แหละด้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดนะคณะทาญาิโจมแล้วก็ก่อนจะลับนอนนะ่ะไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาแต่หลวงพ่อเองอยากจะให้เน้นหนักเรื่องภาวนานะ่ยจิตภาวนาเนะี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญให้ทานหลวงพ่อก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมาตักบาตร เป็นการเสียสละไม่ใช่เงินน้อยเหมือนกันที่มาตักบาทเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเป็นที่อนุมโมทนาในบุญในกุศลในจิตในใจของพวกเราที่มาทำบุญแต่รักษาศีลพวกเราควรคว ร, ควรจะมีนะควรจะมีอย่างน้อยกับวันพระ8ปดค่ำส5บ้าค่ำเราควรจะรักษาศีลห้าอย่างน้อยนะหรือรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดทมากกว่านั้นนะเพราะว่า ในพรรษาเนี่ยก็มีเพียงสี่สาเพียง12วันเราจะชําระกายวาจาของเราให้เรียบร้อยคือสินศินคือชาระ ก, กายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินเราจะอาบน้ํำชาระ ก, กายของเราคือหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์สองไม่เข้าโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โขโหไม่ดื่มสุราเนี่ยแหละชำระกายวาจาให้เรียบร้อยแหละท่นี่นี่คือศินห้า แต่ลูกหลานบางคนเจะชะําระยังไงหลวงพ่อชาระกายวาจาไปอาบน้ําชำชาระร่างกายอย่างนั้นจะ ไ, ไม่ใช่นะลูกหลานนะอันนั้นแปลว่าชําระร่างกาย อ, าอีกแบบหนึ่งทั้งโล ก, โลกแต่ชําระกายวาจาของพระพุทธเจ้านี่ก็คื อ, อข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่างดฆ่าแมงฆ่าแมลงสาบฆ่าทั้งหมดข้าพเจ้าจะงดมองเห็นคุณค่าชีวิตของเขาของเราเราจะไม่คิดฆ่านะ อาทินนาธานเราจะไม่คิดขโมยของเข า, เามันก็ของง่ายอยู่แล้วนะข้อที่สามให้เคารพสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นลูกหลานคนอื่นเขาใ น, นข้อที่สามข้อที่สี่เป็นญาปะขอกสักหน่อยนะข้อที่สคือมุสาคือจํารวมวาจาเราจะไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดหาเรื่องราวใส่ผู้อื่นให้ทะเลาะวิวาทกันนะอันนี้ก็คือสาระวาจานะ ข้อที่ห้าเนีเราจะงดดื่มสุรางืดื่มธุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอพวกเหล้าพวกเบียร์ม้จะเป็นอะไรก็ตามจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามที่เราดื่มหรือเสพเข้าไปนี่ยแทบดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติอจะเป็นเหตุขี้ควายก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามน่ยพอดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติ พราขาดสติแล้วทําความชั่วอะไรเพราะมันเป็นบ้านีจิตใจที่เป็นบ้าชั่วคู่หนึ่งมันเป็นบ้าเพราะขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้จะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะรารารบระร่วงในสา ح. มีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้พราะขาดสติจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเออใครก็ได้พราะขาดสติเนี่ยข้อสินข้อที่ห้าเนี่ยสินครอบจักรวาลเนี่ยสินเหมือนกับยากระยาเป็น ยาอะไรที่กินเข้าไปแล้วมันทำให้หายหายหายโรคอันนี้มันไม่ใช่หายโรคมันเพิ่มบ้าเพราะขาดสตินะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาิโยมลูกหลานทุกคน น, ะนี่แหละศีลคือรักษากายวายจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลในเมื่อวันจุดราชการหรือวันเส ว, วันอาทิตย์วันพระเราถึงจะไปทำงาน เราก็รักษาศีลห้าได้นะ่ไม่ใช่ว่าเราจะรักษาศีลห้าไม่ใช่ว่า เ, เราจะตั้งอกตั้งใจซะก่อนมานอนวัดก่อนไม่ใช่นะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราไหว้พระหรือว่ากราบที่หมอนของเรานั่นะพอกาบเสร็จลอะหังอหังสัมมาสัมุโตสวาคาโตสุปฏิปนโนนโมตัสสะ เ, เสร็จแล้วก็วันนี้เป็นวันพระของข้าพเจ้า เป็นวันแปดค่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้อันนี้เรียก ว, ว่าวิรัตเจตนานะเป็นศีลแล้วนะเ อ, อจากนั้นเราก็รักษาแหลนะจะไหยรักษาตลอดทั้งวันไม่ฆ่าสัตว์ อ, อระวังอยู่ตลอดมีสติไม่ขโมยทรัพย์เราก็ไม่มีอยู่แล้วนะออแล้วสามีภรรยาขารพเราก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวปากข้อก็คือตัวมูสารนะบางที บางทีโกหกสนุกสนุกบางทีโกหกเพื่อเอาตัวรอดแต่ตัวนี้เรามีสตินเนี่ยและเมื่อเรารักษาศีลเราเราก็มีสติจับยั้งตนเองเออเข้าไปเจ้ารักษาศีลวันนี้การที่จะพูดหลอกๆ เ, เล่นโกหกเขาเนี่ยไม่น่าจะมีนะวันนี้นเนี่ยถ้าเขาถามก็ทำท่าไม่พูดไม่นะสิทำท่าหูตึงหูตึงไปสักจบจบไปเ น, นี่ยนี่แหละถ้าเรามีสติ ในการรักษาศีลต่อไปก็เป็นศีลโดยอัตโนมัติเลยแต่นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไม่ใช่ว่าจะรักเทืเอเมื่อเราได้ยินอย่างนี้ละเอาอาจจะรักษาตรไตรมาสสามเดือนสามเดือนเลยก็ได้นะศีลห้านะไม่ใช่ของแปลกนะขอ ง, งง่ายๆนะมีศีลธรรมคนในยุคใดมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดี คนในยุคนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะคณาธา ย, ยาตโยมลูกหลานนะการที่จะให้คนอื่นทำดีนะประกอบคุณงามความดีก่อนที่จะให้คนอื่นมีสินนะพวกเราต้องเป็นผู้มีสินก่อนให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีสิน น, นี่แหละให้นับหนึ่งจากเรานะพอนับหนึ่งจากเราหนึ่งะต่อไปคนนั้นอีกประกอบคุณงามความดีเป็นผู้มีศินอีกสองนะ นนัเห็นคุณค่าในเรื่องศีลอีกสามมันก็นับไปเรื่อยๆม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ทุศีลเป็นผู้ไม่มีศีลเลยชี้นิ้วคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายอุน่าจะเป็นผู้มีศีลแต่ตัวเองเป็นผู้ไม่มีศีลอันนั้นไม่ถูกนะมันต้องนับหนึ่งจากข้าพเจ้ามันจึงจะถูกนะคณะทศชายาตโยมเอาวันนี้หลวงพ่อ พวกเราคณะศรัทธายญาติโยมมาสู่วัดหลวงพ่อก็ควรจะได้ยินแนวความคิดของครูบาอาจารย์ในหลักของพระพุทธศาสนาในเมื่อพวกเราได้ยินแล้วก็นำไปคิดดูนะจริงไหมไม่ใช่ว่าหลวงพ่อแนะนำแล้วจะเชื่อหมดทุกอย่างไม่ใช่นะต้องให้การกรองด้วยสติด้วยปัญญาของเราเสียก่อนจริงไหมถ้าจริงด้วยหลักเหตุผลแล้วเราจะไปแย้งที่ไหนล่ะมันจริงนะ มันไม่ใช่เท็จเน่ยมันจริงนะเพราะหลวงพ่อเองก็มั่นใจจึงได้ออกของจริงมาพูดมากล่าวให้แนะนําสั่งสอนให้ศรัทธาญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจถ้าเราพวกเราปฏิบัติได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี้นะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันดับแรกตนเองนั่นแหะจะได้รับความสุขขยับออกไปก็คือพี่น้องสามีภรรยาลูกหลานที่อยู่ใกล้จะได้รับความสุข กายสุขใจสบายใจนะกับการประพฤติปฏิบัติของเรานะจากนั้นก็ประเทศชาติบ้านเมืองโล ก, โลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นถูกถ้าเราต่างคนต่างมีศีลมีธรรมนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตีนเนะ่าอุทิศสวนกุศลโดยเนะ่า